بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خطاب الاسلاميه بالدمام تواصل معك اخي الكريم المصحف الشريف للاخ سعد الغامدي الشريط الثاني ويحتوي على سوره ال عمرانบท ال عمران เป็นบทมาดานียะมี 200 องการสาเหตุที่เรียกบทนี้ว่าอาล อิมรان ก็เพราะว่าในบทได้กล่าวถึงเรื่องราวของครอบครัวที่มีเกียรติครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของอิมรอนซึ่งเป็นบิดาของมารยัมเป็นแม่ของนบีอีซาอะลัยฮิสลามเรื่องราวของครอบครัวนี้อัลเลาะห์ได้ทรงให้เห็นเดชานุภาพของพระองค์โดยการให้มารยัมที่เป็นหญิงที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่เคยมีชายใดต้องตัว ได้คลอดลูกออกมาคือนบีอีซาอะลัยสะลัมบทอาลัยอิมรอนี้ได้ประมวลไว้ด้วยองค์ประกอบสําคัญสําคัญ 2 ประการด้วยกันกล่าวคือหลักอากีดะห์พร้อมด้วยหลักฐานและเหตุผลที่แสดงให้เห็นว่ามีอัลเลาะห์ผู้ทรงสูงทรงเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นบัญญัติต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการทําสงครามและการต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์สําหรับองค์ประกอบ ที่ 1 นั้นได้มีองค์การเพื่อมายืนยันการเป็นเอกภาพของพระองค์การเป็นนบีของนบีมุฮัมมัดสัจธรรมของอัลกุรอานและโต้ตอบข้อโต้แย้งของชาวคัมภีร์ที่มีต่อศาสนาอิสลามต่อคัมภีร์อัลกุรอานตลอดจนเรื่องของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าบทอัลบะเกาะเราะห์ ได้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับชาวยิวเป็นส่วนใหญ่แต่บทอาลอุมรอนได้พูดถึงเรื่องราวของชาวนัสรอหรือชาวคริสเตียนซึ่งได้มาโต้แย้งกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับนบีอีซาโดยพวกเขากล่าวว่าเป็นพระเจ้าบ้างเป็นบุตรของพระเจ้าบ้างและไม่ยอมรับสาระที่ท่านนบีได้นํามาซึ่งในเรื่องต่างๆ อัลกุรอานได้โต้ตอบด้วยหลักฐานที่เด็ดขาดมีรายละเอียดมากมายมีเนื้อหาสาระในเรื่องนี้เกือบครึ่งบทอีกทั้งยังได้แจ้งให้ทราบและให้ระมัดระวังเล่ห์กลของชาวยิวให้ชาวมุสลิมทราบอีกด้วยส่วนองค์ประกอบที่ 2 เกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆในบทนี้ได้พูดถึงบัญญัติเกี่ยวกับพิธีหัจญ์และการต่อสู้ในทางขออัลเลาะห์เรื่องที่เกี่ยวกับดอกเบี้ย ข้อชี้ขาดเกี่ยวกับผู้ไม่ยอมจ่ายสกาตเรื่องราวที่เกี่ยวกับสงครามบะดัรและสงครามอุฮุดบรรเลนที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายได้รับจากการทําสงครามต่างๆโดยเฉพาะจากสงครามทั้ง 2 ครั้งครั้งแรกได้รับชัยชนะจากสงครามบะดัรและก็พ่ายแพ้ในสงครามอุฮุดในครั้งที่ครคร 2 อันเนื่องมาจากหย่อนยานกับคําสั่งของท่านรอซูล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 ผู้ทรงเมตตาเสมออะลีฟลามมีมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุลไฮยุลกอยยุมอัลลอฮนั้นเป็นพระเจ้าซึ่งไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะได้ใดนอกจากพระองค์เท่านั้นผู้ทรงเป็นอยู่เสมอ ผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหลาย นزل عليك الكتاب بالحق مصدقا ال لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل พระองค์ได้ทรงประทานคัมภีร์นั้นลงมาแก่เจ้าด้วยความจริงเพื่อยืนยันคัมภีร์ที่อยู่เบื้องหน้าคัมภีร์นั้นและได้ทรงประทานคัมภีร์เตาวร لِكَمْ فِي اِنْجِيلِ مَ قَدْ لَهُ دَلِّنَ النَّاسَ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاَيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ اِنْتِقَامٌ هَيْ مِي مَا ก่อนในฐานะเป็นทางนําสําหรับอานุสและได้ประธานอัลฟุรุกอนมาด้วย แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การของอัลเลาะห์นั้นพวกเขาจะรับโทษอันรุนแรงและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงตอบโต้การลงโทษที่ดียิ่งอินนัลลอฮะลายัคฟาอะลัยฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสสะมาอ์แท้จริงอัลเลาะห์นั้นไม่มีสิ่งใดในแผ่นดินและฟ้าฟ้า ที่จะสอนเรนโปรดไปได้ฮูอัลลซีซอรูกุมฟิลอรฮามกะยฟยาชานลาอิลาฮะอิลลอฮุลอะซีซุลฮะกีมพระองค์คือผู้ทรงให้เราเป็นรูปร่างขึ้นในหมดรูปตามที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะได้ใดนอกจากพระองค์เท่านั้น هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ تِلْكَ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِاغْتِرَاءِ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِكُلٍّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. พระองค์คือผู้ส่งประทานคัมภีร์ลงมาให้เจ้าโดยที่ส่วนหนึ่งนั้นมีบรรดาองค์การที่มีข้อความรัดกุมชัด เขาจะติดตามองค์การที่เป็นนัยยะของคัมภีร์ทั้งนี้เพื่อแสวงหาความบุนวายและเพื่อการตีความในองค์การนั้นๆและไม่มีใครรู้การตีความองค์การนั้นได้นอกจากอัลเลาะห์และบรรดาผู้ที่มั่นคงในความรู้เท่านั้นที่พวกเขาจะกล่าวว่าพวกเราศรัทธาต่อองค์การนั้นแล้วทั้งหมดนั้นมาจากที่ที่พระผู้เป็นบานของเราทั้งสิ้น และจะไม่มีใครได้รับคําแนะนําตักเตือนนอกจากบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นรบบานาลาตุซกุลูบะนาบาดาอิฮดัยตนาวะฮับละนามินลัดุนกะเราะห์มะฮ์อินนะกะอันตาลวะฮาบโอ้พระผู้บานของพวกเราโปรดอย่าให้หัวใจของเราเอียงเอนออกจากความจริงเลย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 โอ้ประวัติบาดของพวกเราแท้จริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ชุมนุมมนุษย์ทั้งหลายในวันหนึ่งซึ่งไม่มีการสงสัยใดๆในวันนั้นแท้จริงอัลเลาะห์นั้นจะไม่ทรงผิดสัญญาอินนัลลดีนกะฟะรูลันตุกนิอันฮุมอัมวาลุฮุมวะลาเอาลาดุฮุมมินอัลลอฮิชัยอันวะออลาอิกะฮุมวะกูดุน นรแท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นทรัพย์สมบัติของเขาและลูกๆของพวกเขานั้นจะไม่ทําให้พวกเขาพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ได้เลยและชนเหล่านี้แหละคือเชื้อเพลิงแห่งไฟนรกกะดาบีอาลีฟดาอูนวัลลดีนมินกอบลิฮิมกัซซะบูบิอายาตินาฟาอ์กะดะฮุมุลลอฮุบิดุนูบิฮิม والله شديد العقاب เช่นเดียวกับสภาพความเคยชินของวงศ์วานอิสราเอลและบรรดาคนรุ่นก่อนจากพวกเขาซึ่งพวกเขาได้ปฏิเสธบรรดาองค์การของเราและอัลเลาะห์ก็ได้ทรงลงโทษพวกเขาเพราะความผิดของพวกเขาเองและอัลเลาะห์นั้นทรงเป็น قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس ملها د محمد จงกล่าวแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเจ้าจะรับความพราชัยและในวันปรโลกพวกเจ้าจะถูกต้อนไปสู่นรกยานน่ะ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 ان في ذلك لعبره لأولي الابصار نئن้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้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 والقناطير المطنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرض ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآبر ได้ถูกทำให้ลุ่มหลงแก่มนุษย์ซึ่งความรักในบรรดาสิ่งที่มีเสน่ห์อันได้แก่สตรีและลูกชาย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 لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ مُحَمَّدٌ قَدْ قَالَ ثَبْتٌ وَ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 แล้วรอดนั้นทรงเห็นป่าวทั้งหลายอัลลอซีนยะกูลูนร็อบบะนาอินนะนาอามานาฟัฆฟิรละนาซุนูบะนาวะกินาอะซาบะนอันนารคือบรรดาผู้ที่กล่าวว่าโอ้พระผู้เป็นบานของเราแท้จริงเราได้ศรัทธากันแล้วดังนั้นโปรดทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราด้วยเถิดซึ่งบรรดาความผิดของพวกเรา และโปรดได้ปกป้องพวกเราให้พ้นจากการลงโทษของนรกด้วยเถิดอัศอบิรีนวัสซอดิกีนวัลกานิทีนวัลมุนฟิกีนวัลมุสตะฆฟิรีนบิลอัสฮารบรรดาผู้ที่อดทนและบรรดาผู้ที่พูดจริงและบรรดาผู้ที่ภักดีและบรรดาผู้ที่บริจาค และบรรดาผู้ที่ขออภัยอโหสิกรรมในยามใกล้ชะฮิดัลลอฮุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุลมะลาอิกะตุวะอูลุลอิลมิกออิมันบิลกิสฏอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุลอัลอะซีซุลฮะกีมอัลลอฮซอมดียันวาแทจิ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 ونختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب هات ศาสนานะที่อัลเลาะห์นั้นคือศาสนาอิสลามและบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ ไม่ได้ขัดแย้งกันนอกจากหลังจากที่ได้มีความรู้มายังพวกเขาเท่านั้นทั้งนี้เนื่องจากความอิจฉานิสัยระหว่างพวกเขาเองและผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาโอกาสของอัลเลาะห์แล้วไซร้แน่นอนอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นผู้รวดเร็วในการสอบสวนแท้อินฮัจจุกะฟะกุลอัสลัมตุวัจฮียะลิลลาฮิวะมันอิตตะบะอ์น وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لو ถ้าพวกเค้าโตแยงเจ้าก็จงกล่าวว่าฉันได้มอบใบหน้าของฉันแด่อัลเลาะห์แล้ว และผู้ที่ปฏิบัติตามฉันก็มอบด้วยและเจ้าจงกล่าวแก่บรรดาผู้ที่รับคัมภีร์และบรรดาผู้ที่อ่านเขียนไม่เป็นว่าพวกเจ้ามอบตัวต่ออัลเลาะห์แล้วถ้าหากพวกเขาได้มอบแล้วแน่นอนพวกเขาก็ได้รับแนวทางที่ถูกต้องและถ้าหากพวกเขาผินหลังให้ถ้าจึงหน้าที่ของเจ้านั้นเพียงประกาศให้พวกเขาทราบเท่านั้นแล้วลอห์นั้นทรงเป็นผู้เห็นปวงบ่าวทั้งหลาย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 ถ้าจริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของอัลเลาะห์และฆ่าบรรดานบีโดยปราศจากความเป็นธรรมและฆ่าบรรดาผู้ที่ใช้ให้มีความยุติธรรมจากหมู่ประชาชนนั้นมุฮัมมัดจงแจ้งข่าวนี้แก่พวกเขาเถิดด้วยการลงโทษอันเจ็บแสบ اولائك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين شلون เหล่านี้แหละที่บรรดาการงานของพวกเขาไร้ผลทั้งในโลกนี้และปรโลกและจะไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆสําหรับพวกเขา Alam tara ila alladheena ootoo naseeban min alkitabi yad'oona ila kitabi Allah liyahkuma bainahum thumma yatawalla fareequn minhum wa hum mu'ridoon Muhammad Mi dai mong doo bandaa phoot dai rap suan nueng jaa khampee dok lueng doi thi phuak khao thook choen chuan pai soo khampee khong Allah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 ไฟนรกนั้นจะไม่แตะต้องพวกเราเลยนอกจากบรรดาวันที่ถูกนับไว้และสิ่งที่พวกเขากุขึ้นมาในศาสนาของพวกเขานั้นได้หลอกลวงพวกเขาให้หลงชิงและไคฟาอิซาญมะอ์นาฮุมลิยุมิลลาไรบะฟีฮ์วะอุฟยิตกุลลุนัฟซิมมากะซะบัตวะฮุมลายุฎลามูนแล้วจะเป็นอย่างไรเล่า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 وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าอัลเลาะห์ผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งอำนาจทั้งปวงพระองค์นั้นจะทรงประทานอำนาจแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ทรงส่งให้กลางคืนเข้าไปในกลางวันแล้วส่งให้กลางวันเข้าไปในกลางคืนและส่งให้สิ่งมีชีวิตออกจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตและส่งให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตออกจากสิ่งที่มีชีวิต لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بِقُدْرَةِ الْعَقْلِ لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ยึดเอาบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรคืนนอกจากผู้ศรัทธาและผู้ใดกระทำเช่นนั้นเขาย่อมไม่อยู่ในศาสนาที่มาจากอัลลอฮ์นอกจากพวกเจ้าจะป้องกันจากพวกเขาจริงๆเท่านั้น และอัลเลาะห์ทรงเตือนพวกเจ้าให้ยำเกรงพระองค์และยำอัลเลาะห์นั้นคือการกลับไปปุลอินตุฮฟูมาฟิซุดูริคุมเอาตุดูฮูยะอฺลามุฮุลลอฮ์วะยะอฺลามุมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎิวัลลอฮุอะลามกุลลีชัยอ์กอดีดจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด <X 2> หาพวกเจ้าปกปิดสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกเจ้าหรือเปิดเผยมันก็ตามอัลเลาะห์ย่อมรู้สิ่งนั้นดีและทรงรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและอัลเลาะห์นั้นทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งยามาตัจิดกุลลุนัฟสิมาอะมิลัตมินไครมุห์ดะเราะ وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله راؤكم بالعذاب وان في تعالى حياه จะได้พบกับความดีที่ตนได้ประกอบไว้ถูกนำมาอยู่ต่อหน้าและความชั่วที่ตนได้ประกอบไว้ด้วย แต่ละชีวิตนั้นชอบหากว่าระวังตนกับความชั่วนั้นจะมีระยะทางที่ห่างไกลและอัลเลาะห์นั้นทรงเตือนพวกเจ้าให้ยังเกรงพระองค์และอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงปราณีต่อปวงบาปกุลอินกุนตุมทุฮิบบูนัลลอฮะฟัตตะบิอูนียุฮิบบุคุมุลลอฮุวะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมวัลลอฮุกะฟูรุรเราะฮีม จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากพวกเจ้ารักอัลเลาะห์ก็จงปฏิบัติตามฉันอัลเลาะห์ก็จะทรงรักพวกเจ้าและจะทรงอภัยให้แก่พวกเจ้าซึ่งโทษทั้งหลายของพวกเจ้าและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอกุลอะฏีอุลลอฮัรรอซูล فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลเลาะห์และรอซูลเถิดแต่ถ้าหากพวกเจ้าผินหลังให้แท้จริงอัลเลาะห์นั้นไม่ทรงชอบผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย Uhm <Tower> Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa al Ibrahim wa al Imran 'ala al 'alamin Ta jing Allah dai song khat ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ໂດຍເປັນเผ่าพันธุ์ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกันและกันແລະ അല്ലാഹു นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ ઇત ഖാലת 임란 랍비 ઇന്നി נદർത്ത ലക മാ ફી બતની મુહ્ضરા ફતકબલ മിની ال อินนะกะอันตะสสะมีอุลอะลีมจงรำลึกถึงขณะที่ปัญญาของอิมรอนกล่าวว่าโอ้พระผู้เป็นบานของฉันแท้จริงฉันได้บวชบานไว้ว่าให้สิ่งที่อยู่ในคันของฉันถูกเจาะจงให้อยู่ในฐานะผู้เคารพภักดีต่อพระและรับใช้พระองค์เท่านั้นดังนั้นขอพระองค์ได้โปรดรับจากฉันด้วยเถอะ فات جين برهم تان بن فو سون داهين فو سون راپรู لا داما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني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 مرج لا شَن كُ خُ تَا بْرُ وُڠ هَاي سُ وُڠ كُ مْ كْرُ وڠ نَڠ لَ وَ لُوك خُڠ نَڠ هَاي ڤُن جَ سَاي تَوْن ڤِي تُك سَأچَ نَ تَ قَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَ كَفَلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قال يا مريم اننا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب لا พระผู้ทรงอภิบาลของนางก็ทรงรับมรยัมไว้อย่างนี้และทรงให้นางเจริญวัยอย่างดีด้วยและได้ทรงให้ซักรียาอุปการะนาง คราใดที่ซักรียาเข้าไปหานางที่อัลเมห์รเขาก็พบปัจจัยอย่างชีพอยู่ที่นางเขากล่าวว่าโอ้มารียะเธอได้สิ่งนี้มาอย่างไรนางก็กล่าวว่ามันมาจากอัลเลาะห์แท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงประทานปัจจัยอย่างชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยประสัจจาการกําหนดณที่นั้นดุอาซักรียารบ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبه انك سميع الدعاء ทีโนนซักรียาได้วิงวอนต่อพระผู้บานของเขาโดยกล่าวว่าโอ้พระผู้บานของฉันโปรดได้ทรงประทานแก่ฉันซึ่งบุตรที่ดีคนหนึ่งจากที่พระองค์ قنادته الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين لما الملائكه เรียกเขาขณะที่กําลังยืนละหมาดอยู่อยู่ในอัลเมฮะว่าที่จริงอัลเลาะห์นั้นทรงแจ้งข่าวดีแก่ท่านด้วยยะฮยาโดยที่จะเป็นผู้ยืนยันดํารัสหนึ่งจากอัลเลาะห์ ละจะเป็นผู้นำและผู้รักษาความบริสุทธิ์และเป็นศาสดาท่านหนึ่งจากหมู่ชนที่เป็นคนดี